นี่คือรายการเปิดธรรมที่ถูกปิดทาคออนไลน์ทางเพียว t h a m a .com เราก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งแล้วนี่เป็นเอพิโซดที่20และในครั้งนี้อาตมาพระไพบูลก็มาดำเนินรายการเหมือนอย่างเคยแล้วก็มีผู้ร่วมดำเนินรายการด้วยกันก็คือครับผมทันทะแพทย์นัทพง์กหนกวิรุณครับก็วันนี้เรามาดาเนินรายการเป็นตอนที่20นะครับตอน20แล้ว ตอนนี้เป็นตอนที่20ถ้าเราจัดกันมาเดือนละสัปดาห์ละหนึ่ครั้งใช่มเราก็จัดกันมาแล้วเกือบ4เดือน5เดือนสี4เดือนกว่าๆถึง5เดือนครับแล้วก็คิดว่าเป็นตอนที่ห้าสิบสีหรือ50เนี่ยเราจะมีพิเศษให้ท่านผู้ฟังได้ฟังในวันนี้เนื้อหาของตอนที่2ี่สเอพิส od ที่20ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่เราได้เกริ่นไว้เมื่อคราวที่แล้ว จะมาห ม, หมอรัตพง์ครับเรื่องของว่าเวลาคนเราเนี่ยเวลาโกรธหรือว่าคิดคิดทำอะไรไม่ดีแต่ว่าบอกว่ามีสติรู้อยู่กับตัวแต่ก็ยังทำไปอย่างเงี้ยจะเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วก็จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรครับท่านอ๋อเรื่องนี้จริงๆแล้วบารบเหตุมาจากการที่ได้ไปได้ไปดูรายการเอ่อทีวีรายการหนึ่งได้าการทีวีธรรมดาแล้วก็ส่งคลิปของรายการมาให้ดู ซึ่งรายการนี้ก็เขาก็เอาผู้ที่อยู่ในวงการบันเทิงเนี่ยต่างๆมาคุยกันเรื่องธรรมะบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีประเด็นที่ท่านผู้ร่วมรายการเนี่ยได้พูดขึ้นมาประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของความโกรธแต่บางทีเราโกรธขึ้นมาเนี่ยมรณะพงศ์แล้วเราก็บางคนโกรธแล้วก็รู้ตัวนะคือเราเราจะไม่ได้พูดถึงคนที่โกรธแล้วก็ไม่รู้ตัวแบบสติแตกไปเลยอย่างนี้ด่าก็ด่าเลยแล้วก็ระเบิดตุ้ม ไ, ไปเลยอ่านั่น อันนี้เราจะไม่พูดถึงกรณีนั้นคืออันนี้คือคนที่ไม่ดีละนะเราพูดถึงคนคที่พอจะมีสติบ้างรู้อยู่ว่าตัวเองโกรธแม้แต่มันยังโกรธอยู่นะแล้วอาการโกรธเนี่ยยังลามไปถึงด่าคนอื่นด้วยนะพูดไม่ดีกับคนอื่นหรือว่าบางทีในรายการเนี่ยเขาพูดถึงบางที่โกรธตัวเองแล้วก็ทำร้ายตัวเองอะ่ะครับโกรธตัวเองแล้วไม่รู้จะไปลงกับใครก<ๆ>็มาลงที่ตัวเองนกออกไหม คือเห uh, มือนเหมือนกับว่าตัวเองก็ยังมีสติรู้อยู่ว่าโกรธแต่ก็หมายถึงว่าปล่อยการกระทําที่มันเกินเลยไปอย่างนั้นใช่ไหมครับมีสติรู้อยู่แต่ปล่อยไม่ได้ปล่อยวางความโกรธนะั้นไม่ได้แล้วทำให้จากจิตที่โกรธอยู่เนี่ยก็เลยออกมาทางกายออกมาทางวาจาเช่นคนที่โกรธคนอื่นหรือโกรธตัวเองแล้วไประบายที่คนอื่นไม่ได้นี่นะมีสติอยู่นะ ร, รู้อยู่นะแต่ไม่รีบปล่อยเนี่ยเดี๋ยวจะตีตัวเองนะบางคนแม้ ดิกตัวเองตีตัวเองฉันไม่น่าทำอย่างนี้เลยทำไมฉันเป็นคนอย่างนี้อย่างนี้นะก็มีมมหรือร บ, บางคนก็ด่าลูกน้องด่าเพื่อนร่วมงานด่าพ่อด่าแมนะ่ทำอาหารไม่ถูกปากว่าอย่างนี้แต่รู้ตัวอยู่ซึ่งตรงนี้ ม, มันเป็นเหตุมาจากอะไรเราก็จะมาวิเคราะห์กันในรายการนี้อันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่าเรื่องของสตนะิสติเราเคยพูดกันไปแล้วในเอพิโซดที่ผ่านๆมาในเรื่องของสัมมาสติกับสัมมาสมาธิ ใช่ไหมว่าสติกับสมาธินี่ไม่เหมือนกันบางทีเรามีสติได้ผู้พระเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าเรามีสติในนิวรณ์ได้มีนิวรณ์อยู่คุณต้องมีสติรู้ว่าเรามีนิวรณ์อยู่ละได้หรือไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งคนที่จะละได้เนี่ยต้องมีสมาธินะมีสติแล้วยังไม่มีสมาธิก็เป็นไปได้นะแล้วบางคนอาจจะมีสติอยู่แล้วก็ฟุ้งซ่านคิดนั่นนี่แต่มีสติอยู่นะเป็นไปได้ครนะเป็นไปได้มากด้วยแล้วก็ ไม่ขัดกันด้วยในลักษณะของพุทธวจนะทีนี้พ อ, อมีสติแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ยังพูดถึงธรรมะหมดหนึ่งเรียกว่าความข่มบังคับใจคือธรรมะทอาทหารมอมาสละอะธรรมะใช่ถ้าเราถ้าเราไปดูในห้าเล่มที่ท่านพุทธทาสได้แปลเอาไว้เนี่ยน ะ, ะก็จะมีหมดธรรมหมดนี้อยู่เป็นหนึ่งในสามธรรมะสามอย่างที่ พระเจ้าจักรพรรดิจะต้องมีในการที่จะมาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิได้นั่นคือการข่มบังคับใจครับมีมีอะไรบ้างครับบวชธรรมสามประการสํารับบวชธรรมสามประการประการแรกก็คือเรื่องของทานการให้ทานครับสองการคุ้นเคยทานคือการให้ทานไงครับการให้ทานการให้ของการให้สิ่งของอย่างนี้อย่างที่สองคือการข่มบังคับใจคือธรมะธรมะครับสามคือสัญญมะคือการสมรวมระวัง S <S แล้วก็วันนี้จะอธิบายเรื่องของธรรมะคือการก่มบังคับใจตรงนี้มีนักปราชญ์บางท่านได้เปรียบเรื่องของธรรมะเนี่ยเปรียบเสมือนเรบรคนะถ้าเราเปรียบเทียบกับรถเนี่ยรถยนต์ใช่ไหมส่วนที่สําคัญที่สุดของรถยนต์เนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเป็นเครื่องยนต์เป็นระบบความสะดวกสบายเป็นความเวเป็นอะไรต่างๆแต่ส่วนที่สําคัญที่สุดเนี่ยของรถยนต์เนี่ยคือเบรกนะต่อให้เป็นรถที่เร็วขนาดไหน ดีขนาดไหนแต่ถ้าเบรกไม่อยู่เนี่ยไม่มีเบรกเนี่ยไม่มีใครกล้าขึ้นนะหมอธนทวงใช่ครับอาจจะไม่มีชีวิตกลับมาใช่ยิ่งเป็นซูเปอร์คาร์เนีเป็นรถสปอร์ตรถที่มีความเร็วสูงสูงเนี่ยยิ่งระบบเบรกต้องยิ่งดีนะเราไม่ต้องพูดถึงแค่ไม่มีเบรกนะเราพูดถึงแค่ว่าเบรกแล้วเลยไปสักกิโล2กิโลเนี่ยก็ไม่มีใครกล้าขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าโอกาสบาดเจ็บสูงมากอ่ามันมันมันอันตรายมากเช่นเดียวกันตามก จิตของเราถ้าไม่มีเบรกอันตรายมากโดยเฉพาะอย่างยิ่ง<ม>คนที่มีความรู้ความสามารถอย่างรถเร็วๆอย่างเงี้ยยิ่งต้องเบรกดีนะ<ม>คนที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิมีความมีความเขาเรียกว่าอิทธิพลมากมีอิทธิพ์ที่จะอิทธิพ์คนอื่นได้มากเนี่ยยิ่งจะต้องมีเบรกเพราะว่าอะไรเพราะว่า ค, คนที่ขึ้นสูงคนที่มีความสามารถคนที่มองกันไกลมีความรู้ความเรียนเนี่ยมันจะเจอผัสสะเยอะ การที่เราเจอ<ช>ภาษะ<ช>เยอะเนี่ยอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนะเราสามารถลงโทษได้ให้คุณให้โทษกับบุคคลอื่นได้ยิ่งต้องติดเบรกครับอ่าแล้ววิธีที่ติดเบรกอย่างรถยนต์ยกตัวอย่างเช่นนะถ้ารถยนต์เนี่ยบางคนบอกว่าเราอาจจะหยุดรถได้ไม่ต้องใช้ระบบเบรกก็ได้เอาเอาตัวสะดุ้งไปวางไว้เอาขอนไม้มาขวางไว้เหมือนอย่างที่เขามีนะตามหมู่บ้านเขาจะมีไอ ตัวที่ปูดๆมาจากถนนเนี่ยเขาไม่รู้เขาเรียกอะไรนอนนอนใช่ไหมลูกล้านาดบ้างอะไรบ้างตัวนอนบ้างเวลาจะชะลอความเร็วอ่ารถจะต้องชะลอความเร็วเลยหรือบางคนบอกว่างั้นเอาพุ่มไม้ก็ได้เอาเสาก็ได้เป็นที่หยุดรถใช่ไหมรับรถก็หยุดเหมือนกันนะสมร็จประโยชน์ของการหยุดแต่ไม่ถูกวิธีครับอ่าวิธีที่ถูกต้องหนึ่งคือต้องเหยียบที่เบรกเหยียบที่คันเบรกแล้วรถต้องหยุดทันทีเช่นเดียวกันจิตของเราเนี่ยถ้าเราบอกว่าเอ ชีวิตของฉันไม่ดีงั้นฉันต้องหยุดนะทำไม่ดีต้องหยุดอ่ะหยุดโดยเอาผูกมือไว้มัดมือไว้มัดเท้าไว้เลาวก็ทเทปปิดปากเอาไว้ไม่ให้พูดไม่ให้ทําหรือยกตัวอย่างนักโทษคุณทําความผิดใช่ไหมคุณฆ่าคนใช่ไหม<า>คุณลักทรัพย์ใช่ไหมคุณ จ, คนะจับเข้าคุกนะจับเขาเข้าคุกเลยซึ่งมันเป็นการแก้ที่ไม่ถูกจุดทำไมเป็นปลายเหตุใช่ไหมครับอ่าเพราะว่าเรื่องของศีลเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าคือความเป็นปกติ นะคือมีปกติในการที่จะเจตนาในการที่จะไม่ลักทรัพย์เจตนานะีมีความเป็นป ก, นกตใกิในการตั้งเจตนาไว้ในการที่จะไม่ฆ่าคีย์เวิร์ดคือตรงนี้นะหมอรัตบงเป็นปกติในการตั้งเจตนามีปกติตั้งเจตนาว่าอย่างนี้เพราะงั้นคนอยู่ในคุกสมมติคนคุกนะถูกจับมาเพราะคครเขาขโมยของ <c oughs> เขาอยู่ในคุกนะเขาไม่ได้มีเจตนาในการที่จะเลิกลักทรัพย์ยังมีความคิดจะลักอยู่ตลอดเวลา ครัเอาใหม่นะคนอยู่ในคุกมีความคิดที่จะลักอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีของให้รักขโมยถามว่าเขามีศีลไหมอ๋ออย่างนี้ก็ไม่มีไม่มีศีลนะแต่ไม่มีของหายนะหมอธงทองฝ่ดีไม่มีของหายหนึ่งไม่มีของหายไม่มีผู้รับผิดของยังไม่เคลื่อนจากที่แต่มีจิตคิดจะรักอยู่ตลอดเวลานะผู้นั้นเนี่ยก็ชื่อว่าไม่มีศีลแล้วนะครับอืมเพราะฉะนั้นเพราะว่าเจตนาในใจเนี่ยยังยังมีอยู่ใช่ไหมครับในการที่จะลัก ถ้ามีโอกาสเมื่อไรของคนคุกด้วยกันมันก็เอาออถ้ามีโอกาสคนเดินผ่านมาเมื่อไรต่อให้เป็นศัสดีหรือเป็นนักโทษ ด, ด้วยกันมันก็โกหกได้แต่ถ้าถูกขังเดี่ยวเนี่ยไม่รู้จะพูดกับใครพูดกับคัมภีก็โกหกไม่ได้แต่ถ้ามีเจตนาในการโกหกอยู่แล้วมันยังไงมันก็จะต้องโกหกได้คนนั้นก็ไม่ชื่อว่ามีศีลอ่ะคนนั้นก็ไม่ชื่อว่ามีศีล เช่นเดียวกันแสดงว่าตัวเจตนาตัวเจตนาเนี่ยสำคัญใช่ไหมครับใช่เจตนาเนี่ยเป็นสําคัญที่สุดเป็นมโนกรรมนะเพราะฉะนั้นการที่จะหยุดหยุดจิตเราหยุดความชั่วอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องหยุดที่ใจธรรมะเนี่ยความข่มบังคับใจนะจึงอยู่ที่ใจติดเบรกต้องติดที่ใจพอใจหยุดแล้วเนี่ยปากก็หยุดขยับมือก็หยุดเคลื่อนไหวกายก็ยเป็นมันมเป็นตามลําดับของจิต เพราะฉนั้ของรเราถ้าเราควบคุมได้นะหยุดได้สั่งได้ถึงจะถูกต้องแล้วคนที่มี อ, อิทธิพลมากมีอำนาจมีชี้เป็นชี้ตายได้มีคุณมีโทษกับคนอื่นเนี่ยถ้าคุณหยุดไม่เป็นนี่นะหมูแย่เลยนะเหมืมอนจะพ่อแม่บางทีเนี่ยลงทุลงโทษ ล, ลูกเกินเหตุสมัยนี้บางทีพ่อแม่ไม่กล้าลงโทษลูกสมัยก่อนเรายังบาทีอาจจะเห็นพ่อแม่ที่ตีลูกจนเนื้อแตก รหรือว่าด่าสมัยนี้ก็อาจจะมีด่าเสียๆหายๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าแค่ว่าลูกทําผิดนิดๆหน่อยๆพอลูกทําผิดนิดๆหน่อยๆแล้วก็มีอารมณ์โกรธใช่ไหมพอเรามีอารมณ์โกรธเนี่ยถ้าเราตัดสินใจอะไรณนะขณะนั้นหรือว่าพูดอะไรณนะขณะนั้นเนี่ยมันจะออกมาแรงรและเราหยุดไม่ได้ครับอืเพราะว่าการที่เราจิตของเราอยู่ในแดนลบมีอกุศลอยู่ ตรงนี้ต้องอธิบายเข้าใจนิดหนึ่งมอธพงศ์คือว่าเวลาจิตของเราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจใช่ไหมจิตของเรารจะเข้าสู่แดนลบเป็นจิตที่ดําเป็นจิตที่มืดเป็นจิตที่ร้อนละอนอ่ะอกุศลอ่าเป็นจิตอกุศลพูดอย่างนั้นเถอะพอจิตเราเข้าสู่แดนอกุศลเนี่ยอย่างที่จะตามมาก็คือว่าการคิดวิเคราะห์การตัดสินใจผิดพลาดไปหมดนะไม่สามารถตัดสินใจได้อย่างดีได้พอการคิดวิเคราะห์ผิดพลาดไปหมดพูดก็ผิด พูดก็แรงพูดก็ไม่ถูกพูดปากก็จะเหม็นได้หรือการทําอะไรออกมามันก็จะไม่ถูกต้องนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตที่เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีบางท่านแนะนําว่าถ้าจิตเราเป็นอกุศลอย่างเนี้ยการที่เราจะคิดตอบสนองอะไรออกมาเนี่ยจะหยุดยากเพราะว่าความที่จิตมันเป็นลบอยู่ใช่ไหมเพราะฉนั้นวิธีการที่เขาแนะนำบางท่านก็บอกงั้นเปลี่ยนไอเรียบทไปคิดเรื่องนั้นไปคิดเปลี่ยนไอเดบทไปทำอย่างอื่น ก่อนที่เราจะพูดถึงวิธีจะหยุดเนี่ยนะวิธีทำไงให้หยุดได้ต้องต้องเข้าใจระเบบขั้นตอนการทำงานตรงนี้นิดหนึว่าเวลาที่เราเจอสิ่งกระทบแล้วเนี่ยไม่ชอบถ้าไม่ชอบนะจิตจะเป็นอกุศลใช่ั้ยจิตที่เป็นอกุศลตรงนี้มันเกิดรวดเร็วมากในการที่เราจะตอบสนองอะไรออกไปนะตอบสนองนี่คือการปรุงแต่งทางจิตมโนสังขาร พัสสะใช่ไหมกคือธรรมารมณ์มากระทบเป็นพัสสะทางใจพัสสะทางใจกระทบแล้วเรามีความไม่พอใจจิตเป็นอกุศลจิตเป็นอกุศลแล้วการตอบสนองคือมโนสังขารของเราเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีได้เป็นอกุศลได้เพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่ามโนทางใจตรงเนี้ยมโนสังขารตรงเนี้ยถ้าเป็นอกุศลเราต้องหยุดมโนทางใจมโนสังขารเป็นอกุศลวจีสังขารก็เป็นอกุศล กายสักขารก็เป็นอกุศลเพราะฉะนั้นเราจะต้องหยุดตรงนี้หยุดหยิบเบรกให้ได้ประเด็นก็คือว่าพอเราเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจแล้วเนี่ยถ้าหยียบเบรกไม่ได้เป็นยังไงการลงโทษก็จะรุนแรงการพูดก็จะรุนแรงการคิดก็จะรุนแรงถูกไหมครับทีนี้อย่างตอนเช้าเราตื่นมาเนี่ยเราเจอภาษาตลอดเวลาครับในฝันก็เจอเอาไม่ต้องพูดถึงตอนเช้าตื่นมาหรอกตลอด24ชั่วโมง ชั่วโมงละ60สนาทีนาทีละ60วินาทีเราเจอผัสดะตลอดเวลาครับสดะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้จิตของเราอยู่ในกุศลหรืออยู่ในอกุศลง่ายๆแค่นี้นะจะทําให้จิตของเราเนี่ยมีความดําริที่เป็นบวกหรือมีความดําริลที่เป็นลบมันก็ง่ายๆแค่นี้พระเจ้าจึงแบ่งสิ่งทั้งหมดในโลกนี้ความดําริลทั้งหมดออกเป็นสองส่วนคือส่วนที่เป็นกุศลกับส่วนที่เป็นอกุศล โอครับทีนี้ทำํำยังไง<า>ล่ะจิตของเราเนี่ยจะทํายังไงให้มันตั้งอยู่ในแดนบวกตั้งอยู่ในแดนกุศลได้ยกตัวอย่างเช่นตืน่นเช้ามาครับก่บบอนที่จะถึงว่าตรงทํายัางไงเราต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะว่าตื่นเช้ามาเนี่ยลืมตาลุกออกจากเตียงเราลุกออกจากเตียงขึ้นมาเนี่ยเดินไปเข้าห้องน้ําแล้ว่าที่เดินไปเข้าห้องน้ําเนี่ยก็ไปเข้าห้องน้ําเพื่อที่จะแปรงฟันเห่มัหมหยิบแปรงสีฟันขึ้นมาเนี่ย เห็นขนแปรงบานเบิดบอกโอ้ยมีความคิดขึ้นในจิตทันทีขนแปรง<บ>เห็นขนแปรงบานเบิดนี่เป็นภาษานะมรัตบงภาษาทางตาภาษะต่างๆ<บ>ก็เป็นภาษาทางใจถูกไหมมีมโนมีภาษะทางใจแล้วก็มีความคิดปรุงแต่งไปในใจบอกว่าโห้ยแปรงสีฟันยี่ห้อนี้ห่วยๆโฆษณาจะออกจะดิบดีเอามาใช้แป๊บเดียวข <ừ> นก็บานแล้วไม่น่าซื้อมาใช้<บ>เลยตอนซื้อตอนแรกก็ไม่<บ>คิดหกว่าจะซื้อซื้อมาแล้วดูซิก็บานอย่างนี้โอ้เจ็บใจเจ็บใจนี่คือ ความปรุงแต่งทางใจแล้วนะพอพอมีความปรุงแต่งทางใจอย่างนี้เนี่ยมันเป็นลบไปแล้วนะการปรุงแต่งทางใจอย่างนี้เกิดจากภาษาที่ว่าเราเห็นขนแปลงนะเห็นผลแปลงอย่างนี้แล้วถ้าในในตอนนั้นมีใครอยู่ด้วยกับเราเราวาจาที่เราเปล่งออกไปเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็เป็นภาษาที่ไปเข้าผู้ฟังอีก ไม่ใช่ผัสสะใช่ไหมเกิดเป็นวจีสังขารเป็นวจีสังขารของเราเราไม่สนใจคนอื่นนะมอรัตพงศ์เราสนใจจิตของเราโอเคมเราเรากำลังพูดถึงจิตของเราอยู่นะจิตของคนที่เห็นแปลงรับผัสสะนี้ไม่น่าพอใจแล้วเขาจะปรุงแต่งความคิดที่ไม่ดีถ้าเจอคนพูดนักวินาทีนั้นเขาก็จะพูดสิ่งไม่ดีถ้าการกระทําออกไปนักวินาทีนั้นเขาก็จะทําสิ่งไม่ดีอยู่ที่ว่าเขาจะหยุดได้ระดับไหนนะทีนี้มันรวดเร็วมากแค่นี้เองนะจิตเราเป็นลบแล้วนะ อ่ะลืมได้หยุดได้หยุดได้ปล่อยได้อ่ะก็มาเข้าห้องน้ําเสร็จเรียบร้อยจิตเป็นบวกอยู่ละจิตเป็นธรรมดาเป็นจิตที่มีสัมมาสังกปะอยู่พอเราเดินมาที่ตู้เสื้อผ้าจะหยิบเสื้อผ้ามาใส่หยิบเสื้อผ้ามาใส่เนี่ยเห็นเอา้าเสื้อผ้ารีดไม่เรียบพอโถ่เอ้ยแม่บ้านคนนี้สอนไม่รู้จักจํามีแต่จะขอค่าแรงขึ้นขอค่าแรงขึ้นแต่พอทํางานนี่ทํางานไม่ได้เรื่องเดี๋ยวพรุ่งนี้ เดี๋ยวสักวันนี้ต้องเรียกมาด่าซะหน่อยนะคิดไปนู่นละแค่เห็นแค่เสื้อผ้าที่ไม่เรียบนะเห็นเสื้อผ้าที่ไม่ได้เป็นอะไรเป็นผัสสะต่างๆรู้ถึงใจใช่ไหมความคิดคือมโนสังขารเนี่ยปรุงไปละหลายโยอดละถ้าแม่บ้านอยู่ตอนนั้นนะอาจจะเรียกมาด่าเลยก็ได้ถ้าเรียกมาด่าตอนนั้นในการด่าจะรุนแรงมากใช่ครับดีกว่าเรียกมาด่าตอนเย็นใช่ไหมเพราะว่าตอนที่เราเรียกเขามาตอนเย็นเนี่ยจิตเราอาจจะอยู่ในแดนบวกอยู่ แต่นะวินาทีนั้นตอนที่เราเห็นเสื้อในจิตเราอยู่ในแดนลบล่ะเพราะนั้นจิตของเราเนี่ยมรณะตรปงจะเป็นบวกเป็นลบเป็นบวกเป็นล บ, น บ, นบอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาทั้งวันครับครับถามว่าคุณนะ่ะอยู่บวกมากกว่ายิ้วหรืออยู่ลบมากกว่าอยู่กุศลมากกว่าหรืออยู่อกุศลมากกว่าเราต้องรู้วาระจิตของเราตรงนี้นะ เวันนี้เราต้องตรวจสอบตัวเองด้วยใช่ไหมครับโอ้โหมันไม่มีใครตรวจสอบให้ได้หมอรัตพงศ์ต่อให้คุณจ้างเลขา呐เลขาส่วนตัว呐เขาก็ทํางานแค่แต่ชั่วโมงต่อให้คุณจ้างสามกะเลยนะเลขาก็ยังไม่ได้ตามคุณเข้าห้องน้ําแล้วก็ถึงจ้างสามกะนะเขาก็ไม่ได้ตามคุณเข้าไปในฝันใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราเนี่ยต้องดูแลจิตของเราเองประเด็นคือตรงนี้หมอรัตพงศ์เราจะสามารถหยุดได้มีธรรมะได้มีการข่มบังคับใจได้ถ้าจิตของเราอยู่ในแดนบว สติ<ช> <accountable. S 2> นี่ไม่ต้องพูดถึงนะเราต้องมีตลอดอยู่แล้วต้องมีอยู่แล้วคุณต้องมีสติตลอดและบางคนมีสติตลอดในการที่เข้าไปอยู่ในแดนลบได้ยิ่งดีมากทีนี้พอเราอยู่ในแดนลบได้เนี่ยกาลังของสติในการที่จะปล่อยมโนสังขารที่เป็นลบวจีสังขารที่เป็นลบหรือกายสังขารที่เป็นลบเนี่ยมันไม่ได้เพราะอะไรเพราะจิตเราเป็นลบมันไม่มีกาลังไม่มีสมาธิจิตเราเนี่ยเป็นจิตที่มีอุศล พจิตที่มีอกุศลเนี่ยการปรุงแต่งทางใจก็แย่จิตก็ไม่มีกําลังใช่ไหมจิตไม่มีกําลังแล้วเนี่ยปล่อยไม่ได้ปล่อยไม่ได้ยิ่งปรุงแต่งทางวาจาก็ลบปรุงแต่งทางกายก็ลบมันเป็นเหตุเป็นผลกันอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องยิ่งฉลาดวาระจิตของเรามากเจอภาษาอะไรเราต้องทันให้ได้ต้องรีบอ่าพระพุทธเจ้าใช้คํานี้ว่างูพิษเนี่ยแม้ตัวเล็กเนี่ยก็เป็นอันตรายได้อย่าประมาท สิ่งที่ไม่ควรประมาทตอนที่ตัวมันเล็กๆเนี่ยนะคืองูพิษตัวเล็กๆไฟกองเล็กๆพระราชาที่ยังอายุน้อยๆหรือว่าสามเณรหรือพระหนุ่มๆเป็นสิ่งที่ประมาทไม่ได้เลยความชั่วเนี่ยมรัฐถงนิดเดียวครับอย่าให้เกิดเราพ็รู้จักบอกว่าต้องรีบต้องรีบดับเลยใช่มับพระพุทธาบอกว่าต้องเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อย ฟังให้ดีเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยรีบแบบรีบแก่เคยเตือนพระสงฆ์อย่างนี้นะบอกว่า อ, อาบัตเล็กๆน้อยน้อยเนี่ยถ้าเธอไม่แก้ไม่ไม่ทำไม่ถูกนะเดี๋ยวทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสะสมกลายเป็นอาบัตใหญ่ๆญอาบัตที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ยแล้ก็จะถึงกับพลาดนะต้องเป็นอาบัติที่หนักแล้วก็ถึงอาจจะเสื่อมจากพรหมจรรย์นี้ไปได้เลยเปรียบเทียบกับต้นไม้ ใ บ, บอ่อนรเนี่ยหลุดล่วงไปก่อนใบแก่ๆหลุดล่วงตามไปกิ่งน้อยๆหากกิ่งใหญ่ๆหักต้นหักโค่นเลยทั้งรากตายได้เพราะฉะนั้น<ม>ระบบของพระเนี่ยจึงมีการปรงอาบัตไงปรงอาบัตเพื่อให้ความผิดเนี่ยมีการประกาศความผิดออกมามิจฉาทิฐิเนี่ยเมื่อประกาศออกมาแล้วเนี่ยมันอยู่ไม่ได้แต่ถ้าปกปิด<อ>ไว้เนี่ยมันจะยิ่งเจริญความคิดชั่วๆของเรานะมารุตพงศ์ความคิดชั่วๆของเราเนี่ยถ้าเราปกปิดเอาไว้ปกปิดเอาไว้มันยิ่งเจริญ แต่ถ้า ค, ค, ความคิดชั่วๆของเราเนี่ยเปิดเผยออกมาเนี่ยมันจะยิ่งดับเพราะนัน้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงบอกว่าสัตว์บุรุษเนี่ยคือคนดีเนี่ยความชั่วของตัวเอง ค, ความไม่ดีของตัวเองเอามาเปิดเผยให้ปรกากฏอ๋อให้ประกาศน ะ, ะไม่ถามก็พูดนะความไม่ดีของตัวเองเนี่ยยิ่งถ้าถามนะแหมอธิบายอย่างละเอียดเลยความชั่วของตัวเองนะครับอแล้วเราก็ตั้งใจที่จะแก้ใหม่ความชั่วมันอยู่ไม่ได้แน่นอนถ้าเราเอามาเปิดเผยใหปรากฏอเพราะฉะนั้นเราเราจะ เข้าใจแล้วว่าเอ๊ะทำไมเราถึงหยุดไม่ได้บางครั้งก็เพราะว่าจิตของเราเนี่ยเป็นอกุสนะเจอภาษาที่เป็นลบจิตเป็นอกุศนจึงหยุดไม่ได้พอหยุดไม่ได้แล้วก็เลยกายก็เลยแย่วาจาก็เลยแย่ไปด้วยนะคือเรื่องของว่าจิตสังขารมาแล้วก็กายะสังขารเราต้องแก้ที่ต้นเหตุมอรัตพงคือเวลาที่เราต้องการจะหยุดมีธรรมะการข่มบังคับใจได้เนี่ยจิตคุณต้องอยู่ในแดนบวชสําคัญนะครับอย่างนี้ตัววิธีปฏิบัติ ที่ในในเชิงอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะการปฏิบัติในชีวิตประจําวันเนี่ยควรควรจะทํำยังไงบ้างครับว่าเราอยากให้ธรรมะเนี่ยเจริญขึ้นเจริญขึ้นมีมีวิธีอะไรบ้างครับก็คือตอนนี้เราคงทราบถึงแล้วว่าการขั้นตอนการทํางานของจิตในเรื่องของภาษากับสังขารเป็นอย่างไรนะคร่าวๆเราก็จิตของเราเนี่ยบวกลบบวกลบอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เราจะทรงจิตของเราให้ไงให้อยู่ในแดนบวกตลอดเวลาแล้วถ้ามีการลบเนี่ยให้รีบออกมาจากแนวลบ อ, ออกจากแดนลบเนี่ยให้เร็วที่สุดก็คือคหลักการง่ายๆนะทำอย่างไรเราถึงจะให้จิตของเราเนี่ยอยู่ในแดนบวกได้นานที่สุดอยู่ในแดนลบได้น้อยที่สุดถ้าก้าวไปในแดน ล, แลบแล้วมีสติอยู่ให้รีบออกมาเร็วที่สุดนะก็มีนักปราชญ์บางท่านท่านก็จะแนะนําด้วยการที่ให้เปลี่ยนอิริ บ, บทบ้างนะสมมติคุณนั่งอยู่เนี่ยจิตเกิดเป็นลบขึ้นมารีบเปลี่ยนอิริบบทไปอาบน้ําไปเดินนะหรืออีกวิธีหนึ่งก็คือยืดเวลาออกไปอย่างสา ร, รเนี่ย เขาอาจจะมีกระบวนการที่เรียกว่าอะเรียกพิจารณาความอีกหกสิวันอย่างเงี้ยเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยไปใคร่ครวนให้ดีก่อนนะทําจิตดีๆให้สบายๆแล้วค่อยคิดใไข้ครวนก็อันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ดีเหมือนกันทีนี้วิธีการที่พระพุทธเจ้าแนะนําเอาพุทธวจนะนะคือถ้าจิตเราเป็นเป็นลบแล้วเนี่ยเป็นอกุศลเป็นอกุศลเนี่ยวิธีที่จะออกจากจิตที่เป็นอกุศลอย่างเงี้ยให้เร็วที่สุดมีอยู่หวิธีครับ ถามว่าถามว่าทำไปทำไมทำไปก็เพื่อว่าถ้าจิตเราออกจากอกุศลแล้วเนี่ยเราจะสามารถมีการข่มบังคับใจได้การข่มบังคับใจตรงนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถมีสติต่อเนื่องได้ดีขึ้นด้วยนะวิธีที่ฝึกอย่างที่ถูกต้องเลยเนี่ยก็พูดง่ายๆก็คือว่าให้มีสติอยู่ตลอดเวลาทีนี้การมีสติอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็จะทำให้เรา ฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆเนี่ยอำนาจของการข่มบังคับใจเนี่ยก็จะมีมากได้ครับเข้มแข็งขึ้นใช่ครับพอถึงจุดที่เรียกว่าเราอยู่ในแดนจิตของเราอยู่ในแดนอกุศลเนี่ยวิธีละห้าอย่างซึ่งตรงนี้ก็เคยพูดไปแล้วในรายการภาคภาคตามใจฉันมั้งเพียวธรรมะนี่แหละแล้วก็ถ้าไปดูตอนที่สิบสี่ครับาตอนที่สิบสี่นะแล้วก็ถ้าไปดูในเพียวธรรมะ .com เนี่ยเขจะมีตอนหนึ่งที่เรียกว่าวิธีละอกุศลห้าอย่าง อ, อย่างแรกก็คือว่าถ้าเธอคิดหรือทําในใจซึ่งเรื่องใดอยู่แล้วอกุศลเกิดขึ้นเนี่ยให้เลิกหรือเปลี่ยนเรื่องนั้นซะนะไปคิดเรื่องอื่นครับอย่างเช่นถ้าบางคนคิดถึงเสื้อถึงหมอนแล้วง่วงนะโอ้ยเห็นเสื้อเห็นหมอนแล้วก็ง่วงขี้เกียจอ่ะเป็นอกุศลแล้วนะรหรือเห็นช้อนเห็นบาตเห็นจานเนี่ยแล้วหิวข้าวทั้งทที่กินม า, านแล้วอปากนี่น้ําลายไหลเลยคิดถึงอาหาร พระสถานที่นั่นที่นี่แต่อิ่มแล้วกินมาพอแล้ววันนี้กินตั้ง5มื้อแล้วอย่างนี้นะแต่ว่าเห็นอันนี้แล้วก็อยากกินอีกก็ให้เปลี่ยนเรื่องนึกซะให้เปลี่ยนเรื่องที่ทําในใจนั้นสัคือเปลี่ยนนิมิตแห่งจิตของตนนะไป<อ>เห็นไปดูพระพุทธรูปหรือไปเห็นรูปครูบาอาจารย์เห็นที่นั่งสมาธิของเราเนี่ยก็จะทําให้จิตของเราเนี่ยตั้งอยู่ในกุศลได้ออกจากอ ก, กุศลได้ อันนี้พระรูปเจ้าเปรียบเทียบเหมือนกับช่างทําไม้กระดานนะหรือลูกมือของเขาเนี่ยตอกโยกถอนริ่มอันใหญ่ออกด้วยริมอันเหล็กนี่คือวิธีที่หนึ่งถ้ายังทําไม่ได้นะนก็ให้เห็นโทษของอกุส น, นี่คือวิธีที่อสองข้อสองก็คื อ, อเห็นโทษของอกุส น, นั้นนั้นเหมือนกับหญิงสาวหรือชายหนุ่มเนี่ยที่ชอบการประดาประดาตกแต่งถ้าใครเอาซากมนุษย์ซากสุนัขซากคนมาแขวนเข้าที่คอเนี่ ย, ยก็รีบขยักขยแยรีบเอาออก เด this this ็กว so right ัยรุ่นสมัยน <men> <out> <us> ี <tak> ้เขาก็มีอะไรสิวเซียนใช่ไหมหัวสิวดํำดบเขาพอเห็นหัวสิวที่จมูกเขาดําๆเนี่ยเขาจะรีบบีบออกทันทีเหมือนกันเราก็เห็นจิตของเราถ้ามีเรื่องไม่ดีเนี่ยเห็นโทษของเขาแล้วรีบละเลยรีบมีประโยช์เลยใช่จิตของเราทาไมเป็นอย่างนี้คิดเรื่องชั่วแค่แปรงสีฟันแท่งเดียวทำไมคิดถึงด่าคนนู้นคนนี้แค่เสื้อไม่เรียบนิดหน่อยด่าคนนู้นคนนี้รีบรับหรือถ้ายังวิธีที่สามถ้ายังไม่ได้ ให้เลิกทําสิ่งที่เป็นอกุศลนั้นซะไปคิดเรื่องอื่น อ, อันนี้ถ้าจะฟังให้เข้าใจก็คือเหมือนคนมีตาเนี่ยแต่ถ้าไม่ต้องการเห็นรูปเนี่ยก็มองไปทางอื่นหรือไม่ก็หลับตาซะไปคิดเรื่องอื่นแค่นั้นเองไม่ยากเปลี่ยนให้เป็นเรื่องกุศลอย่างงั้นใช่ไหมครใช่ใชซึ่งตรงนี้เนี่ยบางคนก็ใช้วิธีที่เรียกว่าเปลี่ยนอิริยาบถไปเลยไปอาบน้ําเปลี่ยนเรื่องที่ทําทําเรื่องนี้อยู่แล้วมันเครียดมันคิดไม่ออกจิตเป็นอกุศลมีแต่ด่าคนอื่นเอ้าเปลี่ยนเรื่องคิดซะไปทําอย่างอื่น ก็จะช่วยทำตรงนี้ให้เกิดขึ้นได้นะหรืออันนี้ในในในชีวิตที่เคยเห็นบางคนเวลาเครียดหรือว่าเวลาทุกข์ใจเนี่ยเขาไปสูบบุหรี่ไปดื่มเหล้าอย่างเงี้ยก็ออไม่ผิดผิดทางนะครับอ่า <นะ S 1> ประเด็นนี้ดีมากหมอรัตพงศ์คือเออรื่องของการที่เรามีความเครียดมีความทุกข์็นอกุศลใช่ไหแล้วเราไปหาอย่างอื่นทําโดยสิ่งที่อย่างอื่นนั้นนะ่ะคือเรื่องของกามนะคือเรื่องของการความสุข่างตทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกาย เป็นแน่นอนปุตตุชนผู้ไม่เคยสดับเนี่ยคนที่ไม่เคยฟังธรรมไม่เคยปฏิบัติธรรมเนี่ยพอมีความทุกข์ใจเกิดขึ้นพอจิตเป็นอกุศลนะเขาจะไปหาความสุขอย่างอื่นที่เป็นกรารมาสุขเพราะคิดว่ากรารมาสุขเนี่ยจะแก้ปัญหาความทุกข์ของเขาได้ ค, คนที่ไม่เคยฟังธรรมจะเป็นอย่างนี้พอมี ค, ความเครียดจากการงานไปสุบุรีไปกินเหล้าไปเที่ยว นะไปเที่ยวสปาไปทําอย่างนั้นอย่างนี้ที่เป็นความสุขต่างๆคนไม่เคยฟังธรรมไม่เคยรู้ธรรมะเนี่ยจะทําอย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าสอนยังไงพระพุทธเจ้าสอนว่าคนที่เป็นอริยาสาวกในธรรมะภายในนี้เนี่ยพอมีความทุกข์อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะทางกายก็ตามท า, ทางใจก็ตามนะเขาจะรู้อุบายในการนําออกซึ่งความทุกข์นั้นแล้วหาความสุขอันเป็นภายในอุบายในการนําออกซึ่งความทุกข์นั้นคืออะไรก็เห็นโทษของมันละออกซะ และเห็นมันด้วยควา ม, มของไม่เที่ยงปล่อยวางซะแล้วหาความสุขในภายในแทนความสุขในภายในอย่างที่นี้ก็คือการนั่งสมาธินั่นเองอประเด็นนี้เป็นรประเด็นที่ดีมากเพราะว่าถ้าบางคนอาจจะไม่รู้ใช่ไหมไม่เคยฟังธรรมะไม่รู้ว่ามีวิธีกา ร, ร, รอื่นนอกจากการรมมาสนุนในการที่จะไปหาเรื่องอื่นตทำเพราะฉะนั้นในกรณีนี้วิธีแนะนําที่ดีที่สุดก็คือว่าถ้าเราทําเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วมันมีอกุศลเกิดขึ้นน่ะให้หยุดซะแล้วไปนั่งสมาธิ ปฏิบัติเดี๋ยวนั้นเลยรซึ่งไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยนะครับไม่ไม่เสียเงินไม่เสียทองไม่ต้องรบพวนใครนะครูบาอาจารย์บางท่านก็จะบอกว่าประโยชน์สูงประหยัดสุดอย่างเงี้ยนะวิธีต่อไปอ่าวิธีที่สี่นะถ้ายังไม่ได้ผลเนี่ยก็ให้มองแง่อื่นนะมองโลกในแง่อื่นครับพระพุทธเจ้าใช้คําว่าปรุงแต่งให้เป็นอย่างอื่นอันนี้เราได้พูดไปแล้ว ปรุงแต่งให้เป็นอย่างอื่นใช่ปรุงแต่งให้เป็นอย่างอื่นภาษาอังกฤษเขาจะใช้คําว่า reframe refr Re reframe อย่างเช่นมองแง่อื่นมองรัตพงศ์อย่างเช่นลูกอย่างเงี้ยมันเจียวจ้าไวโวยวายเสียงดังเล่นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็จับไอ้นั่นเดี๋ยวก็ทำไอ้นี่เดี๋ยวอยู่มุมนั้นแล้วก็ไปมุมนู้นส่งเสียงเวกวกเวกกวนอยู่ตลอดถามนั่นถามนี่ไม่รู้จักจบจากสิ้นจนมันนอนนั่นแหละตั้งแต่ตื่นจนเขานอนเนี่ยโอ้โหมันสนจริงๆริงนะลูกบางคนเป็นอย่างนี้ เหมืนอมนใกล้ๆตัวใกล้ตัวคนถามนลยครับคนที่มีลูกก็คงจะจะลูกยิ่งลูกสนสนนี่นะแมมันจะต้องตีมันนะ่ะจะต้องด่าเขาจะต้องว่าเขาจะต้องขนาบเขาให้อยู่ในกฎในระเบียบต้องมองโลกูกในแง่ดีนะจิตถามว่าจิตของเราเอาจิตของอื่นไม่สนนะจิตของเราเนี่ยณขณะนั้นที่จะตีลูกด่าลูกคิดว่าลูกไม่ดีทำไมลูกมันกลัวทำไมลูกมันเด้อเนี่ยคิดอย่างนี้จิตของเราเป็นอะไรอกุศลอกุศลแน่นอนถ้าเราทําอะไรไปในตอนนั้นนะ การลงโทษเขาจะรุนแรงจิตของเราก็จะเป็นลบเราก็จะถูกมองว่าเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีเราก็ทําอะไรไม่ถูกหน้าที่ของพ่อแม่นะพูดนิดนึงตรงนี้คือห้ามเสียจากบาปถ้าลูกไม่ได้ทํำบาปอย่าไปห้ามเขาให้เขาตั้งอยู่ในความดีถ้าลูกไม่ได้ผิดศีลลูกไม่ได้ทําอะไรที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเราก็ไม่ต้องว่าเขาประเด็นตรงนี้คืออะไรประเด็นตรงนี้คือว่าเราจะทําอย่างไรให้จิตของเราเนี่ยเป็นบวกให้ได้ทำอย่างไรให้จิตของเราออกจากอกุศลได้ต้องมองโลกในแง่บวกหมายความว่าไงต้องพูดให้ถูก ทิศปรุงแต่งให้เป็นอย่างอื่นคาว่ามองโลก ใ, ในแง่บวกนี่อาจจะแคบเกินไปพ<อ>ระเจ้าใช้คำว่านะมองโลกให้เป็นมองอปรุงแต่งให้เป็นอย่างอื่นก็หมายความว่าเราต้องมองโลกในในอีกแง่หนึ่งว่าเอ๊ะถ้าลูกของเราเป็นอย่างนี้เนี่ยเขาเป็นคนที่มีความแอคทีฟมีความกระตือรือร้อนมากเนี่ยแม่โตโตขึ้นเนี่ยเขาจะต้องมีประสบความสําเร็จในชีวิตแน่นอนเพราะรู้จักทดลองสิ่งนั้นทําสิ่งนี้หรือถ้าลูกพูดนะมากๆาพูดไม่หยุดเนี่ยนะ แม่โตขึ้นแหม่จะเป็นนักพูดอาเป็นนักพูด <c oughs> เป็นนักกฎหมายที่ดีร่ํารวยขึ้นมาได้เออไม่เป็นไรเขาก็ไม่ได้ด่าใครไม่ได้ว่าใครไม่ได้ทําให้ใครเปเดือดร้อนไม่ได้ผิดศีลรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนตามฐานะสูงต่ําเราละอกุศลในจิตของเราก็แล้วกันนะครับอ่าด้วยการคิดอย่างนี้นะครับคิดให้เป็นกุศลช่ครับอีกประการหนึ่งอ่ะประการสุดท้ายถ้ายังคิดไม่ออกทําไม่ได้อีกนะพระพุทธเจ้าใช้บอกว่าให้ใช้วิธีหักดิบนะคือดิบเลย ขบฟันด้วยฟันนี่คือคหมายถึงตรงตามตัวเลยนะขบฟันด้วยฟันกัดฟันเหลงจดเพดานด้วยลิ้นคมจิต ด, ด้วยจิตบีบจิต ด, ด้วยจิตเผาจิต ด, ด้วยจิตให้เป็นอย่างยิ่งคือจิต<อ>ของเราเป็นอกักขุศนใช่ไหมครับบอกเลยเอากัดฟันจนกระทั่งเลือดไหลนั่นแหละว่าอากักขุศนเจ้าจงออกไปไม่งั้นฉันจะกัดฟันหรือเอาลิ้นคมดันเพดาน จะออกไปไหมอกุศลนามจะออกไปไหมนเหมือนอย่างเราอาจจะเคยดูหนังบางเรื่องนะเขาบบีบคอนะบอกมาบังคับให้บอกอย่างเงี้ยให้ยอมรับความผิดอย่างเงี้ยจังหวะนั้นบีบคอจนกระทั่งหน้าแดงแล้วแบบครับหายใจไม่ออกแล้วบอกให้ยอมรับออกมาอย่างเงี้ยคือถึงแม้เราจะไม่ได้ทําเราก็ต้องยอมรับอ่ะวินาทีนั้นนะยอมรับเพื่อกลัวตายแต่ว่าจะจะได้มีชีวิตอยู่หักดิบเลยหักดิบเลย อันนี้คือ<น>วิธีที่ใช้ได้ห้าอย่างตามบุทร<น>วจนะในการที่จะเอาจิตของเราให้อยู่ในแดนเป็นกุศลอยู่ในแดนกุศลแล้วเนี่ยต้องตบทวนอีกนิดนึงจิตเจอผัสสะใช่ไหมผัสสะที่ไม่น่าพอ<น>ใจจะทําให้จิตของเราเป็นลบถ้าจิตของเราเป็นลบเรามีสติอยู่ตลอดนะเราจะไม่สามารถมีการข่มบังคับใจได้กานข่มบังคับใจอํนานาจของสติอํานาจของสมาธิของเราจะทําไม่ได้เต็มที่ครับ<น>พอทําไม่ได้เต็มที่อย่างนี้แล้วเราก็จะ มีมโนสังขารที่เป็นลบวจีสังขารที่เป็นลบกายะสังขารที่เป็นลบที่เป็นลบใครที่ถูกเราคุยด้วยปฏิบัติงานด้วยจะเจอสิ่งที่เป็นอคุศนจากเราใช่ครับวิธีแก้ทำยังไงนวิธีแก้ก็คือเมื่อมีภัสสะมากระทบจิตของเราเป็นลบมีสติอยู่ใช่ไหมให้รีบออกจากอคุศนนั้นการที่เราออกจากอกุศนนั้นเนี่ยจะทําให้การข่มบังคับใจของเราทําได้ดีขึ้น คือออกมาแล้วเนี่ยข่มบังคับใจจะดีขึ้นเพราะอะไรเพราะจิตอยู่ในแดนบวกจิตอยู่ในแดนบวกจิตก็เป็นสมาธิมีสมาธิก็สามารถข่มบังคับใจได้ดีขึ้นนะไม่ไหลไปตามครับก็จะแก้ได้อย่างนี้ห้าวิธีโอโหอันนี้เรียกว่ามีประโยชน์มากเลยครับถ้าท่านผู้ฟังมีโอกาสได้ไปนำไปดูปฏิบัติในชีวิตจริงๆครับทบทวนดูแล้วก็ลองนําไปใช้ตรงนี้ มีแง่มุมที่ว่าเรายังไม่เคยพูดกันมาเสริมตรงนี้แทรกตรงนี้ก็คือเรื่องของการข่มบังคับใจนั่นเองครับเพราะว่าปกติรเราจะพูดข้ามไปเลยใช่ไหมอกุศลออกจากอากุศลโดยใช้สติฝึกสติก็ใช้ลหมหายใจตรงตรงเนี้ยตรงตรงเนี้ยเล็กๆตรงเนี้ยมีธรรมะการข่มบังคับใจอยู่ครับก็มาแตกรูกได้อีก5้ประเด็นใซึ่งแง่มุมตรงนี้นะเป็นต้องทราบว่าเป็นคุณธรรมหนึ่งของผู้ที่จะต้องเป็นพระเจ้าจักรพรรด ยิ่งคนเก่งคนมีความสามารถคุณต้องมีการกลมบังคับใจยังไงก็ต้องมีครับครับก็จําได้ว่าตัวธรรมะเนี่ยก็เป็นหนึ่งในทศพิตราชธรรมทื่คุณธรรมของกษัตริย์นะครับคือเรื่องของหนึ่งใทศพิตรทศพิตราชธรรมเนี่ยที่ไปตรวจสอบดูแล้วเนี่ยก็ยังไม่เจอสุขที่เป็นพุทธวจนะนะครับไม่ใช่พุทธวจนะจริงๆจริงพระพุทธเจ้าเนี่ยเวลาบอกว่าพระราชาที่เป็นไปตามธรรมเนี่ยก็คือพุทธธรรมะโดยทั่วๆไปคือธรรมะทั้งหมดเลย ไม่ใช่เฉพาะแค่สิบอย่างคมีทุกมีทุกอย่างอะแหละสามอย่างนี้ก็เป็นหนึ่งในอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นเรื่องเรษิราชธรรมหรือว่าเรื่องทุนธรรมของพระราชาเราอาจจะพูดในตอนต่อไปได้ในวันนี้ก็จะพูดถึงจบประเด็นเรื่องธรรมะที่ตรงนี้แหละครับทีนี้มีคําถามจากอท่านที่ใช้นามว่าผู้ศึกษาปฏิบัตินะครับจะขอกราบเรียนถามพระอาจารย์เลยนะครับเลยคือในข้อแรกเนี่ยก็คือบอกว่าท่านถามว่า ขั้นตอนที่จะถึงวิมุตย์24อาการเนี่ยคือท่านอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมมาเป็นอย่างไรนะครับอ๋ออันนี้เราได้พูดไปในตอนที่ผ่านมาถึงเกี่ยวกับการปฏิจจสมุปาทมที่มีลักษณะ24อาการ24คำว่า24อาการเนี่ยเป็นคำของท่านพุทธตาแต่พุทธเจ้าไม่ได้เคยพูดว่า24อาการหรือ20อาการอะไรอย่างนี้ไม่เคยพูดก็จะพูดเป็นลาดับลาดับไป ถ้าไปฟังในตอนนั้นอาตมาจะพูดลักษณะนี้บอกว่าคือจะเริ่มจากทุกข์ก่อนความทุกข์เรามีความทุกข์ใช่ไหมหายใจเข้าหายใจออกนี่ก็ทุกข์อยู่แล้วกินข้าวตื่นช้ามากินข้าวต้องไปเข้าห้องน้ําทุกวันนี่ก็เป็นการถ่ายทุกข์อยู่แล้วมันก็ทุกข์เห็นเห็นใช่ไหมพอเริ่มจากทุกข์เนี่ยถ้าเรามีมีทุกข์ทุกข์คือศูนย์นะหสิ่งที่จะตัดเกิดถ่ายขึ้นมาคือถ้าเรามีศรัทธาได้พอมีศรัทธาแล้วก็จะมีความประโมทคือ2 สมีปราโมทแล้วก็จะมี3คือปีติมีปีติแล้วก็จะมี4คือปัจธิความสงบระงับ4ความสงบระงับคือปัจติแล้วเนี่ยก็จะมี5คือความสุขพอมี5แล้วก็จะมี6คือสมาธิมีสมาธิแล้วก็จะมี7คือการเห็นตามที่เป็นจริงมี7แล้วก็จะมี8คือการเบื่อหน่ายเห็นตามที่เป็นจริงแล้วก็จะมีการเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายคือ8ก็จะเกิดขึ้นอย่างที่9คือการวิราคะคือความจางคลายพอมีวิราคะคือความจางคลายเบอร์เกเนี่ยก็จะมีเบอร์สิคือวิม เคือความจางคลายก็จะปล่อยวางได้ปล่อยวางได้ก็จะมีวิมุตติมีวิมุตติอย่างที่สิบเนี่ยก็จะมีอย่างที่สิบเอเกิดขึ้นมาก็เรียกว่าวิมุตติยานัทสนะนะคือยาณความสิ้นไปจากศูนย์ถึงสิบเอ็ดเนี่ยก็มีสิบสองอย่างใช่ไหมลำดับตรงเนี้เกิดเป็นลําดับลําดับเกิดเป็นสายเกิดเป็นขั้ น, นเป็นตอนนะจากทุกจนถึงวิมุตติญานัทสนะเกิดเป็นขั้นเป็นตอนเพราะอะไรพระเจ้าเปรียบเทียบช่วงนี้เท่านั้นนะจากทุกถึง วิมุติยานัตสนะเนี่ยแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะหมอระทงใช้อุปมาโบมัยที่เรียกว่าเหมือนฝนตกลงบนใบเขาลงบนไหลเขาไหลไปตามที่รุ่มที่ดอนต่างๆเนี่ยทำให้หนองบึงแม่น้ําน้อยแม่น้ําใหญ่เต็มขึ้นมาได้คือพระพุทธเจ้าตรงนี้จะใช้คําว่าสมบูรณ์บริบูรณ์รละเอียดมีอยู่ในตอนที่เลไปฟังได้ทีนี้จากศูนย์เนี่ยคือทุกเนี่ยนะถ้าเรามันมาเหตุมาจากอะไรพระุทธเจ้าก็ไล่ไปนะลบหนึ่งคือการเกิด ลบสองคือภพลบสามคืออุปทานลบสี่คือตัณหาลบห้าคือเวทนาลบหคือผัสสะลบเจ็ดคือสียาชนะลบแปดคือนามรูปลบเก้าคือวิญญาณลบสิบคือสังขารลบสบเ็ดคืออวิชชาอวิชชาจากศูนย์ถึงลบสิบเอ็ดเนี่ยก็มีสิบสองอย่างแต่จากศูนย์ถึงลบสิบเอ็ดเนี่ยนะไม่ใช่สายนะมันมาเต็มที่อยู่แล้วคือการที่เรามีความทุกข์อยู่ปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าครับมันมีเต็มอยู่แล้วอ่ะเขาเรียกว่า มันไม่ได้เป็นไปตามลำดับมันเป็นคู่เกิดมาจากตรงไหนก็มีตรงนั้นถ้าจะเปรียบเทียบเนี่ยอย่างอาการศูนย์ถึงสิบเอ็ดนี่ยที่อาลมาบอกว่าเป็นสายเป็นลำดับเนี่ยก็เพราะว่ามันยังไม่เกิดถ้าเกิดแล้วทุกคนก็เป็นพระรหันหมดสิถูกไหมแต่วิมุตต์เนี่ยมันเป็นไปตามลำดับขั้นสมบูรณ์บริบูรณ์เป็นไปตามลำดับขั้นแต่จากศูนย์ถึงลบสิบเอดเนี่ยศูนย์ถึงลบสิบเอ็ดเนี่ยเรามีเต็มอยู่แล้วความทุกข์อภิชาเรามีเต็มอยู่แล้ว เพราะฉ้นจับตรงไหนมันก็เกิดทันทีจับตรงไหนมันก็เป็นคู่ทันทีมันไม่ได้เป็นสายมันไม่ได้เป็นไปตามลําดับมันมีเต็มอยู่แล้วคือเหมือนกับน้ําน้ำเ่าเน่าเนี่ยมันตกเลยสมมติฝนตกน้ำเน่าเน่าลงมาใช่ไหมมันก็ทําซอกห้วยซอกผาหนองบึงเน่าๆน่ะน้ำเน่าเน่าให้เต็มค uh> วามทุกข์เรามีเต็มอยู่แล้วอวิชญาเรามีเต็มอยู่แล้วเนี่ยยังไงมันก็คือน้ําเน่าหมดอเพราะฉะนั้นจากศูนย์ถึงลบสิบเอ็ดเนี่ยมันเต็มอยู่แล้ว นะเป็นคู่อยู่แล้วจับตรงไหนมันก็เป็นความช่วยเต็มเต็มทุกข้อทรรเลยใช่ไหมครับถูกต้องจับตรงไหนก็โดนเลยไม่ใช่ว่าต้องเป็นสายแต่จากศูนย์ถึงสิบเอ็ดอันนี้ต้องเป็นสายเป็นลำดับลำดับจากน้อยไปมากใช่ไหมครับเออซึ่งตรงนี้ยังไม่ได้พูดในตอนที่แล้วนะก็ก็จะเติมให้ตรงนี้เพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าไปประกอบการฟังกับตอนที่แล้วเนี่ยคุณที่ใช้นามว่าผู้ศึกษาและปฏิบัติเนี่ยจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะเนาะครับครับอืมอันนี้ก็ชัดเจนนะครับต้อง มีข้อที่สองจากท่านผู้ศึกษาปฏิบัตินะครับถามว่าการถึงวิมุตต์หมายถึงจะค่อยๆเกิดขึ้นหรือเกิดพร้อมกันในจิตในขณะจิตเดียวตั้งแต่ศรัทธาไปถึงวิมุตต์เลยอ๋ออันนี้ได้ทั้งนั้น ค, คือครพระเจ้าใช้คำว่าสมบูบรณ์บริบรูรณ์สมบูรณ์บริบูรณ์ก็คือหมายความว่ามันก็ต้องเป็นไปตามลำดับขั้นแต่ลาดับขั้นตรงนี้จะใช้เวลามากหรือเวลาน้อยได้ทั้งนั้น บางคนอาจจะมีอินทรีย์ปารมีน้อยครนะลําดับขั้นตรงนี้ก็ต้องใช้เวลานานบางคนอาจจะมีอินทรีย์บารมีมากครับลําดับขั้นตรงนี้ก็จะใช้เวลาน้อยอินทรีย์นี่หมายถึงอินทรีย์ห้าที่เราเคยกล่าวถึงใช่ไหมครับศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาครับผมถ้ามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาน้อยใช่ไหมลำดับขั้นตรงนี้ก็จะเกิดช้าช้ายาวนานศูนบเอ็เนี่ยก็จะช้า ถ้าเรามีศรัทธารียสติสมาสิปัญญามากลำดับขั้นตรงนี้0ูถึง11 เ, เนี่ยก็จะเร็วมากครับครับอย่างนี้ความเป็นพระภิกษุเนี่ยตรงนี้ก็มีมีโอกาสที่จะเจริญอินทรีย์ได้มากกว่าใช่ไหมครับพูดถึงว่าในในวงของชีวิตประจำวนัน ใ, ใช่ไหมครับใช่รู้พ่าบอกว่าการบรรพชาเป็นโอกาสวา่างนะก็ก็มีมีเหตุปัจจัยสำคัญทีเดียวที่ทาได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าพระทุกองจะทาได้นะ ครับแต่ว่ามีส่วนช่วยได้มากใช่ครับทีนี้ก็เลยก็ครบถ้วนสําหรับคําถามจากผู้ศึกษาปฏิบัตินะครับก็ดีมากเลยครับคําถามจากผู้ศึกษาปฏิบัติเนี่ยผมเข้าใจว่าจะมีมีอยู่เรื่อยๆนะครับท่านท่านมีภูมิธรรมที่ลึกซึ้งพอสมควรก็ต้องขอบคุณท่านมาณโอกาสนี้นะครับมีคำถามหนึ่งเหมือนกันเนาะครับครับมีคําถามจากท่านที่ใช้ชื่อว่ามารีนะครับเอาขึ้มาเรีเอครับครับ เรียนถามว่าเนื่องจากได้ไปงานทําบุญบ้านแล้วก็เห็นเจ้าของบ้านได้ทําการเช็ดเท้าให้พระสงฆ์ก่อนอที่พระสงฆ์เนี่ยจะเข้าบ้านรบกวนถามพระอาจารย์ว่าการทําเช่นนี้ถ้าพระจะบอกกับคารวาสว่าไม่ต้องทําให้อย่างนั้นก็ได้จะได้หรือไม่อืมครับตัดคนถามนี้ก่อนกอ็่จะทําได้หรือไม่หน้าที่ของพระก่อนหน้าที่ของพระคือห้ามเสียจากบา แล้วก็สองให้ตั้งอยู่ในความดีเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นคารวาดผู้ใดผู้หนึ่งทําบาปเนี่ยถ้าเราอยู่ในฐานะที่บอกได้เราจะบอกในเขาทําไม่ดีเขาด่าคนนู้นด่าคนนี้เราอยู่ในฐานะที่บอกได้เราจะบอกเพราะฉะนั้นคือถ้าเขาไม่ได้ทําบาปเนี่ยเราจะบอกหรือไม่บอกก็ทําได้เหมือนกันทําได้คือคือถามว่าให้ตั้งอยู่ในความดีหรือห้ามเสียจากบาปเนี่ยก็ดูที่ว่าเขาทําผิดศีลไหมอย่างในกรณีเนี่ยเขาเช็ดเท้าให้พระเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดศีลนะ อ่าไม่ได้ผิดศีลแถมว่ายังอยู่ในคุณธรรมที่เรียกว่าอ่อนน้อมถ่อมตนตามฐานะสูงต่ำก็ได้ก็สามารถไ ด, ไดคนะ้ครับเพราะว่าจริงๆเป็นธรรมเนียมของชาวชาวไทยที่ศรัทธาพระพิสูน์นะครับว่าอย่างเราจะเช็ดเท้าให้กับพระสงฆ์เนี่ยคืออย่างอย่างตัวเองก็ถ้ามีโอกาสก็จะเหมือนว่าอ่ายินดีที่จะทำะ ค, ะคือตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นไปตามธรรมวินัยไหสมมติการเช็ดเท้าให้ครูบาอาจารย์ ผู้ชอบเคยพูดอยู่ในข้อการปฏิบัติต่อครูบาอาจารย์นะอย่างครูบาอาจารย์เนี่ยคนที่เป็นครูบาอาจารย์เราเนี่ยหน้าที่ของลูกศิษย์ก็คือยืนเข้าไปคอยรับใช้รับใช้อะไรบ้างนะมีอาจารย์ิยวัตรอยู่มีอุปชัยวัตอยู่คือข้อปฏิบัติที่คุณต้องทํากับอาจารย์ข้อปฏิบัติที่คุณต้องทํากับอุปชาเช่นเอาน้ําล้างหน้าไปให้แปลงสีฟันให้ล้างเท้าให้เตรียมน้ําล้างเท้าต่างๆมีอันนี้คือพระต้องทําอยู่แล้วครูบาอาจารย์เรามาอย่างเงี้ยอาจจะมาเป็นพระใช่ไหมหลวงพ่อมาอย่างเงี้ย ไม่มีน้ำบางท่านเราต้องจัดหาให้ไม่มีที่นั่งเราต้องจัดหาให้ท่านมาเราต้องลุกลับรั บ, ร, บ, ร, บรับบาทรับจีวรปูที่อาสนะนี่เป็นข้อปฏิบัติของเราใครทําอย่างนี้คุณก็ทําตามข้อปฏิบัติที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้เป็นสิ่งดีอืครับนี่หมายถึงพระผู้น้อยทําให้พระผู้ใหญ่ใช่ไหมครับใช่ใช่อใชโอเท่ากับว่าอย่างนี้กรณีคําถามก็คือคารวะทําทให้พระก็ คิดว่าเป็นสิ่งที่สมควรสมควรกระทําเลยนะครับก็ค <onto Gross. S 1> <driven. S 2> ิดว่าสามารถทําได้นะทีนี้ว่าถ้าถ้าจะบอกว่าอย่าทําได้ไหยก็สามารถบอกได้ออืก็สามารถบอกได้ก็ไม่ไม่ผิดเหมือนกันใช่ไหมก็ไม่ผิดศีลเนี่ยเพราะนั้นเขาทําสิ่งที่ไม่ผิดศีลเราจะไปบอกห้ามเขานี่เป็นการขวางหนทางบุญนะอาตมาว่าครับใช่ครับใช่ใช่ก็มองได้หลายแง่นะอืมครับครับมีคําถามต่อเนื่องข้อที่สองจากคุณมาลี ถามว่าบุคคลที่คิดกับพระสงฆ์ว่าไม่น่าทําอย่างนี้ก็คือกรณีที่เช็ดเท้าเนี่ยอจะเป็นการติเตียนพระสงฆ์หรือไม่เ อ, อตอบแบบว่าไม่ต้องเกรงใจกันมากก็ตอบว่าใช่เลยละ่ะครับก็คือคือถ้าคิดว่าท่านเนี่ยโอ๊ยทําไมท่านต้องทำถึงขนาดนี้ให้ลูกศิษย์ทําขนาดนี้เลยเหรอ <c oughs> ก็เป็นการคิดไม่ดีกับพระแล้วละ่ะอืมจิตเป็นอกุศลนะครับใช่ใช่เพราะว่ามันไม่ผิดสีแน่ล่ะ ทั้งผู้ทําทั้งผู้ให้ทําทั้งผู้ไม่ห้ามทั้งผู้ขนขวายทํามันก็เขาก็ไม่ได้ปิดศีลแต่ที่เราต้องแก้คือจิตของเราเนี่ยทำไมไปคิดอย่างนั้นจิตของเราทำไมไปมีอกุศลเราก็ต้องรีบเอาออกหยุดต้องมีธรรมะ ก, การควบังคับใจนี่นะครับงั้นก็ให้ตรงตรงเลยนะคำํำถามตรงกับข้อธรรมที่<ะ>ครับก็อันนี้ก็ตอบตามพุทธจนะนะว่าพุทธเจ้าบัญญัติไว้อย่างไรอ่า ก็ถ้าหลักการง่ายๆคือดูเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญาในเรื่องของข้อปฏิบัติกับครูบาอาจารย์นี่ก็เป็นเรื่องที่เพิ่มเติมให้การอ่อนน้อมอ่อนน้อมทำตนตามฐานะสูงต่ําเนี่ยตอนสมัยนั้นมนุษย์มีอายุสองรอยห้าสิบปีเนี่ยพอเราไม่ได้ทําคุณธรรมข้อนี้เนี่ยนะอายุมนุษย์เนี่ยลดลงมาเหลือหนึ่งร้อยปีนะอืมอ๋ออันนี้อะไรนะครับเพิ่มจะทราบเหมือนกันนะครับชออายุสั้นลงใช่ มันก็เป็นเรื่องที่ทําได้ทําแล้วก็ดีแน่นอนกับจิตของผู้ทำครั บ, อ, รบอย่างนี้อายุไขของมนุษย์ต่อไปนี้ก็จะลดลงลดลงไหมครับเพราะว่าศีลธรรมก็ย่อหย่อนแบบแย่ลงแย่ลงนะครับใช่ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกันท่านผู้ฟังทั้งหลายต้องช่วยกันหมุนธรรมชาติาช่วยกันทำความดี นะช่วยการทำตัวเป็นตัวอย่างช่วยกันทวนกระแสแห่งตันหาช่วยกันเขาเรียกว่าชี้ชวนให้เห็นชี้แจงให้ปฏิบัติให้แกล้าๆในการทำให้พอใจในการทำนะแล้วก็เป็นตัวอย่างได้ในเรื่องของสีเรื่องของสมาธิเรื่องของปัญญา <Okay. S 2> มีคำถามก็ให้ส่งมาได้อย่ามาเสียใจว่าไม่มีโอกาสถามเทคโนโลยีก็มีเดี๋ยวนี้นะส่งมาที่ w w w p h ดไวด m a ว็บเลยนะครับ แล้วก็ทางระมาแล้วก็ท่านหมอทศพงษ์เนี่ยเราก็จะเอามาตอบให้มาคุยกันในรายการช่วยกันขุดคุยสืบค้นใช่ใช่ต้องแจ้งให้ทราพนิดนึงว่าวันนี้ได้ไปบันทึกรายการที่สถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยแล้วก็ทางทางรายการทางสสวเนี่ยวิทยุประเทศไทยเนี่ยก็มีความประสงค์ว่าจะให้เพิ่มจุดชั่วโมงในการบันทึกในการออกอากาศ จากที่ตามเดิมมีอยู่3วันเนี่ย ก, ก็เพิ่มให้เป็น4วันวันไหนบ้างครับท่านก็จะเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์ใช่ไหมศุกร์นี่เป็นการปราฏิถาอาตมาพูดคนเดียวเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นการสนทนาธรรมกับคุณเตือนใจสินุวันิคห ก, ก, กทั้งเสาร์อาทิตย์แล้วก็จะเพิ่มวันพฤหัสให้อีกวันหนึ่งเป็นเฉพาะพุทธวจนะนะคืออาตมาก็จะเอาพุทธวจนะเนี่ยมาอ่านให้ฟังมาสาธยาให้ฟังในบทที่ท่านเลือกมาแล้วแล้วก็อันนี้4วันละเพิ่มให้เป็น4ี่วัน แล้วในช่วงก่อนเข้าพรรษาเนี่ยก็จะเพิ่มให้เป็นทั้ง7วันเลยเพิ่มอีกสาวันทรกวันเจันอังคารพูดโอ้โหครับก็เลยโอ้อนุโมทนาเลยครับเป็นงานท <พบ S 1> ี่หนักเหมือนกันแล้วก็จะต้องริบเตรียมเรื่องก่อนครับครับท่านก็เป็นพอแต่คิดว่าสื่อสื่อรสนของมิทยุแห่งประเทศไทยเนี่ยจะโอ้กว้างทั้ง ประเทศไทยเลยนะครับจะได้อนิสงฆ์มากเลยรายการที่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้เนี่ยก็คิดว่าจะทําให้เป็นรูปแบบที่เป็นหมวดธรรมะคือเราจะไม่เทศทั่วไปล่ะจะไม่พูดเรื่องนั้นมาจับปนชนเรื่องนี้จะพูดเจาะเรื่องไปเลยนะแล้วก็ขมวดให้มันจบนะเป็นตอนเป็นตอนเป็นตอนไปก็คอยติดตามฟังไับท่านในกรุงสวาทอนในกรุงเทพที่ 92.5 92.5 เฟมเฟม 92.5 ตรงนี้จะมีรายละเอียดอยู่ในเพียวธรรมะ อยู่แล้วเพียวจามะดอทมจะมีส่วนที่เป็นรายการวิทยุนะนอกจากในกรุงเทพ f อฟเอมเก้าสิบสองดห้าใช่ไหมในจังหวัดอุดรธานีอุดรธานีนี่จะอยู่ที่เก้าสิบสามจุดเจ็ดห้าแล้วก็ที่เชียงใหม่จะเป็นเก้าสิบแปดแต่ทั่วประเทศก็จะรับฟังได้ทาง a อ8อ1มแปดเก้าหนึ่งออมแปดเก้าหนึ่งเอมแปดเก้าหนึ่งใช่ครับ ก็เวลาตีไหนเวลาตีห้าตีห้าตเช้าก็ังในผู้ปฏิบัติธรรมก็จะตื่นกันเช้านะครับจะเป็นเวลาที่เออเหมือนกับได้มีความสงบวิเวกทั้งทางกายและทางใจนะครับยังไงก็คิดว่าวันนี้ก็หมดเวลาแล้วล่ะหมอรัพงศ์มคนแก่เวลาครับแล้วก็คราวต่อไปนะเราก็จะพูดถึงเรื่องอะไรดี เรื่องคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของอานาปนานสตินะครับอ๋อได้ครับปวา<น>ยังไม่เคยเอามาพูดแบบเจาะลึกเลยนะครับมีแต่พูดครับก็จะรวบรวมเรื่องที่เกี่ยวกับอนาปนานสติมากุ้ยให้ฟังในตอนต่อไปแง่มุมต่างๆนะอย่างเช่นว่าทําแล้วได้อะไรอันนี้ทุกคนคงทราบอยู่แต่ว่าเหตุเกิดของการที่จะทําอานาปนานสติได้มีอะไรบ้างแล้วอันดิสงบแบบต่างๆที่เราอาจจะยังไม่เคยได้ฟังนะมันจะมีอะไรบ้างเราก็จะมาพูดกันในตอนหน้า ครับครับวันนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับพระอาจารย์ไพรบุญอภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหาโศกจังหวัดอุดรธานีนะครับแล้วก็ท่านผู้ฟังไปเท่านี้พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับจรครับสวัสดีสวัสดีครับ